อนาปฏิวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1,110 1. พิกษณุีผู้ไม่อนุเคราะห์ในเมื่อมีอันตราย 2. ภพิกษุนีสแสวงหาแล้วแต่ไม่ได้ 3. ภพิกษุีผู้เป็นไข้ 4. ภพิกษุีผู้มีเหตุขัดข้อง 5. ภพิกษุีวิกลจริต 6. ภพิกษุีต้ น, นบรรยำสิบขาบทที่8จบ